ใจลอยว่าให้ผลตัวเรื่องของเราจะเป็นยังไงปรากโดนรถชนตายนะอันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะวางใจไม่ถูกนะแทนที่จ ะ, ะแทนที่จะ อ, ะอยู่ได้ยืนยาวเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ปกว่าการที่ไปตีตนก่อน่ายเนี่ยนะมันทำให้ตัวเองเนี่ยยําแย่และที่ตีตนไปก่อนไข่ก็เพราะนะ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 ก็พยายามจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันพยายามทํางานของตัวให้ดีนะเผื่อใจเอาไว้ว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายนะผลผลเลือดอาจจะเป็นบวกเนะผื่อใจไว้แต่ไม่ใช่หมกมุ่นกับมันนี่จะต้องฝึกใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะให้เป็นนะเราสังเกตมาขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยนะทั้งวันเนี่ยนะเจ็ดแปดชั่วโมงนะใจมันไปไหนเนะี่ยใจมันอยู่กับปัจจุบันกีนะ่มากน้อยใจมันอยู่กับเนือ้อกับตัวกี่มากน้อย